มันอยู่กับพระพุทธศาสนามาแต่เรืงดำบันแลเลยเป็นประเทศที่จเจริญในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องดึงดูดอยู่กดไม้กดมูกดพับ ก, กดพวกของห่อก็อาศัยพระพุทธศาสนาตั้งร่องไปเนี่ถึงขีดที่พ่อ น, นักก็เป็นเบาก็ดีหรือคนเบาเป็นนักก็ดีหรือขนาดพอดี ก, ก็ดี ก็มีพระพุทธศาสนาเป็นแวนเช่นพระบลมราช่ายนั่นสิมูแจ่ห่าโศกดีที่สุดขนไดพระบลมราช า, ามิตรสาธิตีเลยมูห่อจะทุกกว่านี้พระพี่ก็น่าเบื่งอยู่นี่กกน พ, นาานพ่นส่งเสริมพ่นอาถรรพเออเมื่อพ่นโมเป็นพ่นขีดขาดเมื่อใดเป็นเจร่าจนหุ่นไหวพ่นกระส่งไปถอดพระเนตร ล่องเขาะล่งหาด้วยสันทีวิธีต่งตาตงๆเพื่อนเป็นคู่พระสาทศาสนามาแต่ใดๆในนิสสังขังพระพุทธเจ้าองค์ไหนองค์ไหจึงมีราช้ามากาล่าช า, า, า, า, ชาโนราชาโนราชาโน่อยู่ในพระสูตรอยู่ทุกทุกโป่งสินพระสมณะพระพุทธเจ้าขอ้าวเนี่ยเพรมีพระพาเสนที่โกศลคือเมืองสาวัตถีน่ะ แล้วข้มีพระเจ้าพิมพิสารน่าช่างมากคาโท้แปลว่าแผ่นพระเจ้าแผ่นดินมากดถ้าว่าสังเกตเรื่งพวกที่บอกเนี่สอนเน่ยในทั้งโลกและทั้งถ้ำก็ดีก็มีิจะพวกผ่้เหลื่ยมสายพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเนีอันอยู่ในเมืองไทย อันส่วนที่เรื่องใช้พระพุทธศาสนาหนึงถึงแม้นสิ่งที่เห็นพิษมีเพศผิดกฎหมายมาเกิดยังมีขอบเขตยังยังบวนับทิพถึงถึงถึงนับทิพย์ขึ้ยังลุกได้อยวนอันมันบวกเขาหาไปเจ้าพระสงค์มันไม่ยินดีนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณเจ้าคุณหน้าบุญมีที่นะมันอุกอันพวกนี้มันก็มันพวกนี้นะมันอันวัสดวกสบายที่สุดเลย แ้วพพระพุทธเจ้าภาวนานกคขาการคมพระคขาการยกย่องในพวีน่ามีอยู่คัน่นี้มีการคม่มีการยกย่องการประคองอยูว่าอะไรนิคหาแปลว่าคมพระคหาแปลว่าย่องยกย่องสิ่งไหนที่ทาถูกก็ยกย่องสิ่งไหนที่ทําำผถู ก, ก็คมคมให้มันถึกเพื่อให้เป็นที่สบายของผู้ผู้เป็นชิน้นธรรมนี่ คมบริสุเลสคนักกิเลสคมหนกอยู่ <laughs> กิเลสตัวหาเหมันกับคมหกอยู่มันว่เป็นของคงง่ายมันทีคันท้าสัญญาณหมามอะไราพบไราศาสตร์แลว้วเหน็ดขนดพรวนยนจัเงเทียบใชขวนถากขวนตะปูมสามารเทียบใช้กบ ป, ปัญญาเทียบใสกันกับสลก หรือกระดาษทรายไม่ต้นเดียวกันา อ, อจิตดวงเดียวขนาะจิตสันต้นมันศีนอา้าคือบางศีนบางตน้นใช่นี่ประนาที่บาทอาิตนาท่านกามีศีมิตรใช้จานมุสาวาตยุ่ศูลาเมีไรฮะนี่ แม่ศีนมันอยู่ตัวปาหน้าพีไดยทันขกชกชกชกออรรค์จกจกคอลายมันสูบเาไว้แล้วมันก็นม่วนๆคอขาผีได้ทันในต่อขาทีบพันไห <c oughs> <c oughs> นบอกว่า <c oughs> กาไม่ใชมิทธาอาจารย์คำว่เกินกำหนดกฎหมายแล้มวม่วนขคอขาผีของเขาไหนหะ <c oughs> มุสาวาดเกินกำหนดกฎหมายไรตัว <c oughs> หายซับห้ยีินเสียยิม้มอะไรเรื่องพึ่งพืชราคาสูงเกินไป หรือสารพัดทั้งออมสามารถารถึงคัุ้โทษได้เหมือนกันเออถึงมหันตโทษได้เหมือนกันมหันตโทษกับขั้วลุกโทษก็คงมีข้อหมายอันเดียวกันก็ม่วมข้อคานี่คือการสุราไม่อะุญาตอ่านกินเป็นระยะหนึ่งการถม่เนี้ยดอกคามันว่าเป็นระยะมันจะเกิดทั้งขาดทังควอนกันก็ว่าม้วมข้อคานี่แหละไม่ว่าสัตวว่าคัน้าว่าโลกทั้งหลายนี่สินหาบริบูรณ์ อาวุธลูกระเบิดปรมาโน่ต่องลงทุนเห็ดอาวุธยุทธพันธ์กั บ, บ่ะต่องเห็ดอันนี้โลกสิสนุบปไหนบอกศาสนาที่หน้าท่านการนักศพโยคอวมีคุกกั บ, บ่ะต่องมีตะล่างกั บ, บ่ะต่องมีตำรวจทหารกั บ, บ่ะต่องมีของพายขมันเขารบซึ่งกันและกันประเทศชาติบ้านเมืองนะั้นระวางตัวประเทศชาติบ้านเมืองขนาด กราม่เอาชมิชอา์จานขันโมล่งปวีณีของกันนะลูกไัยเมียไผ่ร้านเหลียญไผ่ก็ดีผัวไผ่ก็ดีก็จงรักภักดีเข้ารบเจอกันแล้วกันเถอะไปก็ไปกับว่าเราแย่งนอนวันชัดขาก็ดีฮะนุสาวาสนี่เอ้าเห็นกับว่าเห็นว่เห็นกับว่าเรเห็นกับว่าเยเวลาทั้งผู้พูดและผู้ฟังอีกด้วยนีทุล่าเมระยะเอ้าันนี่ย่างอายกติมิขันมันโม่เรา ขันเม้อเราเลยอยากอายโบนี่เลยเล่นเทดนย่งว่าจะพอดีเห็นยังว่าจะพอดีเห็นย่างว่าจะโตพอดีข้านี่ขันผู้บ่เมาอันผู้เฮาเบิงมันผลบ่เปลี่ยนแต่เบิงเด้อหรอเมื่อว่าหรอขี้ได้มัดขา้ได้มัดเาบดวายซะข้านี่ข้านี่เราเนี่ยปีนึงปีนึงมัดจักรกลเอาอันเอาว่าใส่จังหวะนึงจังหวะนึง เอามาให้คนกินนั่นมันบอดีก็นั่นบอกแคนี้พวกกินเรามันอาหารในสนามรบว่ัสดอาหารมันก็อาหารไปทั้งผาดดิเฮ้ยบันน้อาหารไปทั้งดีด้ว่ามันอาหารแยบค้ายดิอาหารไปทั้งผาดดิอาหารไปทังประมาดบันน้อาหารบ่มันบ่มันอาหารแยบค้ายเหมือนคนโม่เมาด้ว่างแผนก็ว่างแผนผิดมันเมามากหรอไม่นั่อือกนั่น ถ้าพอพี่เรามีสินหาเท่านั้นแหะโลกสงบแล้วคันโลกทั้งหลายเนี่ยถือศาสนาพุทธวัดนี่ปฏิบัติคือการมัดส่วนยิ่งส่วนย้อนผู้ส่วนอีหยังมัดนี่ก็แลยอแต่กะกันลนี่แต่ว่าห่างปฏิบัติศาสนาพุทธมัดเข้าเราพอพุทธพระทับประสงค์มัดนี่ซีมีรักลัน่นยิ่งย้อนก็กันบ้างพระถามสงฆ์ข้ามกับโมี่สมือนี่สงฆ์ข้ามลัติเด้สงฆ์ขามศาสนามันเป็ น, นสันว่า กับพวกกับพวกกับเรากันอันพวกไดนก็นยังใข่ได้ดอกอันพวกเธอบโบมีบาไม่บุญ น, นี่นะมันวุ่นลายอะ <c oughs> โลกต้องสงบจังวะเพระพุทธเจ้าเป็นที่เพึงของโลกาาไหมธรรมดาซ้อนโลกธรรมาดาซอนโลกพอพุทธเจ้าคนแล้วเลยธรรมดามา่จะใส ไหนจะไปสอนหลกเก่งกวั่นมือติเจ้าพระพุทธเจา้าองค์ไหนก็มาสอนคือเกา่าอยู่มัคือกฎหมาย ก, ม ก, ก้หมูอก้ผักก้นพวกเอานี่ก้หมายก้หมูอก้นผักเขาขุดพวกเขาห่อเหตุฉนจึงถอนออกว่างจึงเพิ่มเขาว่างพอจกหมุนให้มันพอดีก็ข้าระวาัดและ บ, บัแบงแวนศีนแวนถ้ำด้วยถ้ำเป็นโล ก, ก บ, บาลคือคุมข้องโลกสองยางพระพุทธเจา้า ที่นี่ควบละอายต่อบาปโอดตะปาควาสะดุ้งกลัวต่อบาปแต่สัดทั้งหลายไม่บาปไม่บุญนี้ในจิตในใจแล้วจะเป็นที่คุ้มคล้องโลกได้พระพุทธเจ้าไ่ได้ว่าลูกระเบิดปลอมว่านู้นยคุม้มคลองโลกหรือว่าอของท่นว่า <c oughs> คนถือว่าไม่บาปไม่บุญนี่นั่นนํากันกับวเสื้อใจอตม่านี่ย่ามัน มาปาดข้อเรียนสนุกสนุกเฮ็ดทั้งดีต้อนาว่ะไรกัเฮ็ดทั้งเฮ็ดตันซัวต้อนาวอะไกับเฮ็ดับหลังท่านนะครับเพราะหมดเพราะพอายามหวับเ้ี่อน้องชงเพราะพอยามหวาบเนีนี่สำคัญ แล้วลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีเขาหมอบ ก, การชวายทีิต่ตอพ ร, ระพุทธพระธรรมผสมอยู่ทุกเมืองบ่มีประมาณตราต่อเถ่าเขาสู้คนใน่านเพื่อผลทุกในมาตาสงสารโดยด่วนในปัจจุบันนศสสตร์นี้เทิดนี่สำรพพระธรรมฐ า, านในตอ ง, งนี้ปัจจุบันนิตปัจจุบันนธรรมอันใดที่ลุดพ้นาะเขอวิเลเข้าพเจ้าต้ อ, ตองการปัจจุบันนิตปัจจุบันธรรมอันนั้นอยู่ทุกเมืองบ่มีประมา่านธรรมดานิพุสมมานวดมากเป็นกรรมฐ า, านแล้วเพราะฮันวังพบหน่อยพบใหญ่วังผลทุกในปัจจุบันศิสสต์ทั้งนั้น เม่อมันระพันมันกับมัยั่งโดนเนาะเื่อห้องควงอพวกใหม่นี่ว่าใทยมันขมห่วยมันว่าขวมมันก็ตกอยู่บนไหนบ้านหนึ่งล่ะเดี๋ยวมันอยู่กเก่ามันม่อยู่ดอกเดีวบอาสันอันปราบธนาภพหน่อยภพใหญ่สร้างกุศลพ้บุญปราบนาพหน่อยพพใหญ่ลยเาะกระทองเที่ยวในวัตาทองสาลนานเป็นโลคกิญญาทานมาเป็นโรคอุตตรธานโลกิญญีนโลคกิญญาภาวนา โรค ก, กุตระศีลโลค ก, กุตระพ่อหน่าคือปฏิบัติศีลทำเพื่อคนทุกข์ในวราระสงสารโดยรวนปัญหาก็ น, น้อยลงอัตมาโยนีในนานพ่อเฮดายอัตมาเห็นอ น, นิสงส์ถ้าเราหวังเอาแพ่เอาชนะภายนอกเราอยู่ไปในทิศทั้งี่เราก็อยู่บระดับชนะก็ชนะขี้เล็กของตนแพ้ก็แพ้ขี้เล็กของตนนอกโรงำหนี้ไปที่สวายแงงวะโลก พระเจ้าไีสีมีมากมีน้อยสักเพียงไรก็ตามมันเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าว่มันสมบัติของเราเขาเห็นแก่หนาข่าซื้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาออกมาหาน้อยๆก็ไม่ท้องพนนายก็ไม่ท้องพนสมบัติท้งตัววมัแต่กีเด็ดถึน่องลงนีแกงจามางหลดขันว่าน่องล่องนีแล้วขันมีมีมีหลายมันกับสาคัญนระเบิดปูเพราะเธอสูเพราะเพราะว่าเออขันมีน้อยัเสียโอเสียโอตกใจนี่ น้อยก็แม่ทั้งเพื่นหลายกัแม่ท้งเพ่นจังยินดีงงนตามสติกำลังสบายแนวสบายใเนี่ยมีปัญหาอันนี้เนี่ยเกเดกมันคุมจิตมาอยู่ล้ำคุมมาอยู่ <c oughs> จะะับอะไรมันหลอกแหลกหลอกแหลกไปเลยลอกแหลกลอกแหลจกะละจกับอะไรเด็กจไจั ต้องเอายางแข็งแรกให้กันนะีนั่งอยู่แตเคินแงโม่เอยจับเอาไว้อยู่นั่งก็สร้างยืนก็ตามเยียก็ตามจับไว้ก็ปลายจมูกคนปัญญาหลายต้องจับไว้ก็ปลายจมูกลมวัฏพานธ์เองไปผ่านสายไปสั่งจ้องมาหะหม้อหนึ่งคู่โรงเรียนจบไ้ก็จับไว้ก็ปลายจมูกลมบัฏพันธ์ปลายจมูกมันจะผ่านสาไปสั่งมันทูออกไปพุ่นก็บกตามมันทูขาม้าแนกับกรตามจ้องโยมัน ไปจมูกกันเขามาไมล่ก็เจาะตัมาหัตที่แรกร่วมหายใจเขา่ากระทบเพาดานปาเปลืองบนยืนเชื่อๆร่วมหายใจออกกระทบไปจมูกตั้งไว้ว่านี่มันหนีแล้วก็ออกมามันสี่เหลี่ยมวิสัยบอกว่าซะมันนี้ก็ามามันนี้ก็ามาเฮือกโตเฮือมันก็เลยชานาญนั่นะ มันยังไกลอยู่สัเนเนีล้มบพานหลอดลมมันที่ไปใส่ันจ้องมานี่ล้บาดเดียวล้มออกกัม า, า, ม า, มามาตามมาฮอนนี่ล้มเขาก็ตามมาฮอนนี่ร ะ, ะเบิดตึงลงบาดเดียวปรากฏดก็เด็นขึ้นวัดผู้เขาผู้พานทั้งผู้ก็เด่นขึ้น บิวเวิ้งเวิ้งงเว้นบอพ่องสยองบอเก่าเงียบเลยถามเจ้าของว่าเนี่ยเพื่อประสงค์ยังมาทำพวีตเพื่อประสงค์อยากเอาไปบออวดคนจิ้ขนมบอกว่าจะบอล้างผลถูกได้ว่าตาสงสามพอตาสองสามอันนี้ทุถูกมากไม่ยอมมาเกิดแกเแ็บตายอีก เมียน no ี่ดีบ like ่เส้นเห็นพระพุทธรูปทอกข้ามห้าเท้าเทวดานี nement, um ่มีพระพุทธรูปทอกข้ามอนีเดี๋ยวเกิือ่มันเอามือเด้ไปเอาหัวเส้นบอแล้วเส้นสงสัยบ่ยังถามเจ้าของบ่เนมันมีปฏิพาดของโยคุเดียกถามเจ้าของตอบเจ้าของอ่ะะเนมอยู่เกิดปีตีขึ้นเกิดปตียินดีขึ้นพอไปถึงหลวงปู่หมันไปถามเพนเพนว่าคิดดอก คพืนขวไปทั้งพูดกับจิตปไปทังแต่วลงผู้ฝันลงเวละลงผู้ฝันมากวลิาณลงผู้ฝันมากามลงผู้ฝันได้โอกาสก็คือประกาศเรียนเพิ่นเพิ่นก็ บ, บอกค่าอาหน้าผานาสตินี่แตามันร่วมลงแล้วแผ่นดินไหวข้างที่แร ก, กขะน่านไปสติแข็งไปก็บอเป็นหนักโบราณทูนี้ให้ ใหยได้เหมือนกันคับหลวงปู่หมันพจนวจิตดอกก็ว่าอันอานาประสตีร่วมเน่ยมันเข้ากันได้พราะโอกาสว่าหลวงปู่เทศไมายามหลวงปู่หมันในโอกาสว่าคนแบบพักกุศลแบบกาบเียนพจนอีกคนน้อยกาบเลียนพนนั่นเป็นสันองค์นั่นูบาอาจารย์องค์นั้นเป็นสั้น่ผ่านใครไปเพิ่งฟังเพราะเอาพจน์พจน์เสวว่าคือกันบ่ หลวงพ่เทพมันว่าเทวดานิยมเทวดาอนุโมทนาอ๋อพนิจารทร์มหาบัว น, นี่โอกาสกักาบเรียนพนิจานทร์มหาบัวลอฟังเพราะนว่าเทวดามาล่องท่านว่าสิอาจหานซ้ำไหนท่นท่านท่านเขียวขึ้นหนีจากหันในเสือเสือกินตายว่าท่านเนอา สมาธิมันร่วมลงเนี่ยมันไม่หลายแนวเลยเนี่ยหนึ่งมีจันรั้นหูไม่ได้ยินถอนออกมาหุ่นหูจังได้ยินเนี่ยหนึ่งมันร่วมพับเข้าไปเนี่ยมันเห็นแสงมองไม่เมียวขึ้นตะเกียงนี่ยตะเกียงจะพยุ่เนี่ะนี่ยิแล้วก็รืมกรรมฐานเดิมที่ทำไว้ได้ใหนี่ว่า แล้วก็ไปเพ่งงานวันมันฮุ่งฮุงคนวันวนมันฮุ่งหมดรับตาเยเลยมันจเห็นจนเลือมตาเขานี่เพ่งไปเพ่งมากเพ่งไปเพ่งมากเพ่งไปเพ่งมากมันก็เป็นอุลูดไป้นละแสงสว่างอุรูดทะลุพวกเขาคนเลยวันนี้ก็เกดปีตีเย็นขึ้นน้ำมนี่แล้วก็ปากดแล้วมันไปไปแลาวแสงสว่างทะลุพวกเขาคนก็มีแบบน่ยนแต่ความเป็นจริงมันมีไปได้รับอนุ ญ, ญาตได้ซื้อได้ไ ป, ไป คือหอนอดฝันนี่และมันถาว่ามันฝันมันสัก็ฝันเ้องวัดได้ไปแล้วห้อก็นอดกนกโก่งก็พี่มันได้ค้างได้ตนไปตัวไปสว่างนั่นละันเดีอากันอันเดียวกันกนอนฝันและสมาธิแบบนี่แบบอุปจารสมาธิจาระแปลว่าไปไปตามนมิตจาระอันสมาธิแบบหูบนี้ยินนี่มันถอนออกมามันเข้าไปวิธีอดไสั่นสมมุติว่ามันเข้าไป คือเขาเปิดประตูนีงเวลามันท้อนเราว่าแอ็คคือกันลเราจิตจะมันปกติอยู่อันนี้สมารถที่แบบหนึ่งแต่สมารถที่แบบนีก็ตามเถอะเราอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังเหมือนกันแต่หากเป็นอันนจ้จังละเอียดเป็นบุญอันละเอียดเกิดขึ้บแบบวนแล้วแต่สลายมันกันพราะพุทธเจ้าผมสอนให้จิตอยู่ไงจ้างให้ลูกผมสอนให้จิตอยู่การจิตอยู่มันต้องเป็นพบเป็นธาตุด้วยไฟวาสิตเดียวนี้แต่หากเป็นผู้ท้นวนวุ่น ตายไปเกิดพวกมาโลกงดอา น, นิสงก็รงมาอีกตายค่าสมาธิสุ่มเนี้ยวป็นไงจะพระโสดาบันพระโสดาบันเกิดอีกสามศาสตรนี่เกิดอีกาศาตรหนึ่งนี่เกิดอีกเจศาสตร์นี่เกิดอีกาศาตรหนึ่งพวกเอกก็ไปขี้พวกโ ส, สดาบันโธ่สายจริตโสดาบันโธ่สายจริตเกิดอีกศาตรหนึ่งเกิดอีกสามศาสตรนั่น พระสวัสดิ awan ราขาจริตตองเจริญอสุภะเกิดดีเกียาติอพระสสดา a w มหาจริตตองเจริญอาาปนสติกพระอรหันต์พระจาข้าไมย่านาฆ่ามี่ก็เหมื อ, อมนกันปัญหาถึงเกิดมาพอเกิดพัดสะนี่คุ้มไว้คุมไว้อยู่ตีตีข้อห ม, มายพัยนธะหยไมไป พรตาปั๊บนึงคมบนที่คมอะไรเก่ดมอดว่างๆเนกลางอะไรพระตา๊ตาปั๊บหนึ่งก็คมมันีลผคมอะอยู่เหตุแห่สั่นนะพุทธเจ้ายังเหตในด่านในปัจนาจะคุ้งอนัตตารูปาอนัตตาตาไม่ใช่ตัวตนลูกไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนเสียงไม่ใช่ตัวตนกินไม่ใช่ตัวตนรสไม่ใช่ตัวตน กายไม่ใช่ตัวตนปวดสะพักเจเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ตัวตนธรรมะลมไม่ใช่ตัวตนธรรมะชั้นสูงกายก็ส่งคืนให้กายเวทนาก็ส่งคืนให้เวทนาพระสัก็ส่งคืนให้เวทพระสัเพื่อส่งคืนสลัดคืนไม่เข้าไปสอดแทรกคิดถือเอาเป็นเจ้าของ ถ้าไปสอนแทรกยึดตัวเอาเป็นเจ้าของสิ่งใดๆสิ่งนั้นก็เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นวัฏตะวนเวียนกันอยู่ธมะสัจสูงธมะสัจสูงแล้วก็ขจาปั บ, บวัยเกิดเวทนาน ต, ต้องถอยกลับตัวนี้สําคัญวัยไปเกิเดเวทนาเวทนาความเวยอารมณ์พิจารณาลงถึงอนัตตากายก็เป็นศักทว่ากายไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสสนา เวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นแต่สภาะเวทนาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ่ก็เป็นแต่สภาวะใจธรรมารมที่เกิดกับใจก็เหมือนกันเป็นแต่สภาวะธรรมบทอนัตตาที่นี่ธรรมาชั้นสูงยังมีอยู่อีก ท่านผู้ใดรู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตท่านผู้ใดรู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตท่านผู้ใดรู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันผู้นั้นเข้าไปไม่เข้าไปสอดแทรกในอดีตไม่ได้ไม่ได้เข้าไปสอดแทรกในอนาคตไม่ได้เข้าไปสอดแทรกในปัจจุบันไม่ได้ยึดถือเอาปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตเป็นตนเป็นตัวเป็นเล่ากป็เขา ไมได้ยึดถือพุลูในปัจจุบันพุนันขามโลกไปแล้วพระพุทธเจ้าองสิวันสตว์ธรรมสัสูงสันิพัฒนาเนี่ยนี่นี่สันนิพัฒนาครับเนะนี่คอนสิว์าธรรมสัวสูงอดีตคือมันยังคือพุรูทิโรไปแล้วอนาคตคือมันยังคือพุลูทิโรหัน่าถึัจจุบันคือพูที่กาลังฝึกอยู่เดี๋ยนี ผู้ล่นี่มันเป็นภพเป็นชาติมอนกันครับไม่ผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของธรรมะสันสูงที่ทุตในพระพุทธศาสนานี่ผู้ลู่มันเป็นผู้ลู่มันเป็นหน้ามะขันเนี่ยจัดเขาในสังขารขันใดอยู่เพราะเกิดดับเป็นในผู้ลู่นี่เลี้ ย, ด, นะ ด, ยดูนั่นเลี้ยดูนี่เหมือนพยายามแดดเนี่ยก็เป็นจริงพวเกิดเกินแปร ป, ปวนและแตกสลายเนี่ย มันก็เป็นรอบหนึ่งของสังขารเแหละมันก็เป็นรอบหนึ่งของโลกเลยเป็นรอบนึงของกลองทุกข์เหมือนกันไฟขมามันติดกันเป็นแสงนี่มันเกิดดับเลี้ยวไรจนจนติดกันพยายามแดกเหมือนกันมันจะพยายามจับมดมือก็เป็นรอบเก้าของมันะรอบยันตรอบเติมขึ้นแปปนั่นแต่สลายคนเฮาจะเกิดจักสาได้พบกขึ้นกัน ก็เป็นรอบข้อม่านรอบทราบรอบบขมนเกิดขึ้นมากะแปลปวนแล้วแตกสลายัทั้งหลายก็เหมือนกันต้นลอยพ่อตาเหมือนกันเป็นที่องวัตถุไทยจังว่าสังขละปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกยางยิ่งนอกจากสังขารมุมเหนือนีจะเป็นทุกนอกจากสังขารเท่านั้นเป็นทุกสังขารเท่านั้นตั้งยู่สังขารเท่านั้นกระแปลปวนสังขารเท่านั้นละไปอันนี้จังเท่านั้นเกิดขึ้นอันนี้จังเท่านั้นกระแปรปวดอนนี้จังเท่านั้นแตกสลายอันนี้จังเท่านั้นละไป ทุกเท่านั้นแหละกิึ้นทุกเท่านันแะแปปวนทุกท่านั้นแหะดับไปนอกจากทุกเมื่ไม่ไดเกิดขึ้นนอกจากทุกเมื่ไม่ไแปลปวนนอกจากทุกเมื่ไมไดดับไปนอกจากอันนี้จังเม่มไดเกิดขึ้นนอกจากอันนี้จังเม่มีไหนแปลปวนนอกจากอันนี้จังเม่มีไหดับไปนอกจากอันนตาเมื่มไดเกิดขึ้นนอกจากอันนตาเม่อไม่ไดแปลป่วนนอกจากอันนตาเมื่อไม่ไดนดับไปมีความหมายอันเดียวกันใช่ชืออะไรเนี่เอเป่าเดียวกันของเก่าเห็นไหมน่ธรรมาติสูงนั่น ขาาา้าวัตธรรมทิเดินพ่อเป็นนิพพัชนาเดินพ่อพ่ อ, พ, อพ่อเป็นบาตุนิพััชนาเท่านี้ผู้ปัญญาแกก็จับนิพพัชนาในหันโดดอุปมาคือคนนั่งเฝ้ามอเข่าอยู่นี่เขาโกบกพริกพร่อมเขาปรนังเงื่ซื่อหล<ม>่อมันอรน่อยเถอะเพื่อสมมุติจังหวะอัตว่าเสมอนี่ก็ได้วุ่นไหวเงี้ยๆเลย เร่มหายใจเขาครั้งนึงเห็นท่านพวกเกิกกกกกดควบแล้วควบแยบปวดนั่นแต่สลายเหมือนกันเลยเห็นท่านอันไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่บุคคลครอบกันโมเมนต์ในก่อนในหละ่ะเว้นไว้จะตอกการตอกการเห็นกับเห็นเห็นทัานควบเกิดควบแก้ควบเก็บควบตายเน่ในคณะดี่วากันโมเมนต์ในก่อนในหลังเริ่มหายใจเขาออกออกครั้งนึงก็เป็นโรกรอบนึงคือนกันอะคือโลกเกิดขึ้นและแปบปวดนั่นแต่สลายเ่นี้จังไรจังว่างสักอา้า สมมุติว่าต้นล่มต้นร่มต้นร่มยึดปลายจมูกกลางร่มยึดท่านกางอกเพื่อให้จะเข้าใจชัดถ้ายร่มยึดสะดือแนระว่างนี้ม่านีมีคกบเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายถุกระยะพราเกิดขึ้นจากต้นร่มแปรปรวนจากต้นร่มแตกสลายจากต้นร่มก็บม่ากลางล่มมาสมมติกางร่มก็มาเกิดขึ้นกลางร่มก็มาแปรปรวนกลางร่มมานับกลางร่ม ก็มาเกิดขึ้นท่ายล้มก็มาแปลปวนท่ายลมก็มาร clock, at, ับท่ายลมเนี่ยนี่นี่นี่เท่ารากม่ยังสิมีนี่นี่นทั้งกลัวข้อเกิดขึ้นและแปลปวนและแตกสลายใช่ไหมเนี่มันเกิดขึ้นจากนี้เนี่ยเมื่เกิดขึ้นจากนี้มาแปลปวนมานีเมันก็แตกสลายมานี่ก็หาระวังไว้ได้เหมือนกันนะความกันวัดน่ะเออจำนัำก็ถือเมื่อก็ถูกกระดูกเหมือนกันเนี่ยบอกภาษาละมันเป็นมันเป็นเสืออเกลียวเดียวกันเยอะน้ำกั่นนี่ แม่บอท่านะอมเถอะนี่ว่าข้างในเขาเสร็งหรอกข้าในเขาเสร็งเขาอยู่ด้วกันอย่างไรนขนขนตะทายตรบัดสินสมาธิสิทธิสมาธิอันเดียวกันอ้วยเป็นเชือกสาบเกี่ยวอันเดียวกันเลยในขณะเดียวกันตกสองพันกันที่พ้นบัญญัติออกกันเป็นหนึ่งเหมือนเรื่หนึ่งเอกสินอยู่ที่ใดเอกสมาธิเอกปัญญาเขาอยู่ที่ไ่น ปัจจุบันนศีนอยู่ที่ไหนปัจจุบันสมาธิก็อยู่ที่นั่นปัจจุบันนภัญญาค่อยู่ที่นั่นจับนัถึงเนื้อจับเนื้อถึงกระดูกเข้าศีว่าถึือตึ้งเข้าโมตายโพดดอกนี่แม่นว่าสระอ๋อพี่เจ้าดินนั่นนี่เขาเข้าใจว่ามีแต่ดินบอกเขาพิจ้าหนาหน้าเข้าพี่เจ้าดินดินจะมีบอกเขาพิ่เจ้าน้าน้าจะไมีบ่กมียุก่อนเข้าพิ่เจ้าละนี่คือกันนี่สองสามสี่หา่มียุก่อนเดี๋วต้อเข้าจังน้าใดแม่นว่าสะนั นีด้านปัญญาเนี่ยคาว่าท่านมันคำว่าท่านปัญหาฮองตระของเขาที่ยวมาหลงอยู่นี่แล้วเขาใจเป็นคนละอันนะมนดินมีอยู่มาแนะนำําก็มีว่าหันไฟก็มีว่าหันลมเขงนี้มอมหันนี่ธาตุดินเป็นของแข็งเนี่ยนี่ถ้าตุน้ำเขาไมอยู่นี่เผาจะเป็นน้าก็ได้เนี่ย้าตุไฟก็อยู่นี่มีอยู่นี่สีเอาไขมันห่อนก็ได้อยู่นี่ธาตุลมก็มีอ่ยอมนี่อากาศช่องว่างมันอนี้นั่นดินน้าไฟลมนีอยู่ในขณะเดียวกันมัมีอยู่ในอดีตมีในอนาคต เสียแต่สั้นฮาด้อมานับเมติสไม่ใช่เลยอาตมานับไม่เห็นมไมน่ใช่ยยอย่างไงประโยชน์ภูเก็ตพัง่าร่มละเอียดเข้าไปหรอภาษาลิบุษเพิ่นนับพมติไม่ใร่ยอย่างไรน้องมาสั่นแล้วสิ น, นับบนกัะนเ้นมาสั่นเมื่อออกเห็นหลวงพุทธเสียงหลวงพุทธหัวหลอกพี่บ่าวมาสั่นแม่ขอมบ่าวห่อยหรไม่เอ็นยูกาสั่นเปิดว่า นั่นมันมช่ันน่าวะหวยมันสิมากนี่ัะาั่นตอบเจ้าของเรามีกิเลสยืนนี่ก็นับได้อยู่มาสั่นนับเป็นไฟสังข์้าโห่เนี่ยมาสั่นสเคาลงมานี้มาสั่นเวลาเนื้อโยงสั่นหมดเดื่มร่มเนี่ยร่มจับก้องแจงก้องแจงก้องงแมันลูกของมันก็ลุกาใจเขาออกหดหมดเดือร่มเนี่ยคันทิมร่มมันกับฟุ้งซ่านอะมันกับวัสด์ว่านีมันไม่รักด้วยนัว คัททิมร่มหางเขาออกทิมกรรมประานเดิมห้องพี่หน้าอะไรกมปนแวาก็เป็นวาวเสือขาดมันเป็นนูนปิ้วไปมันบสัทนะเามันบรสัรทธต้ก็บมวินนปนควบสงสัยจะของวห่มันกรรมวิสิงควบสงสัยจะของนับจังไรอะสันเอกกรรมเทวิธาตุวันหนึ่งธาตุดินหรือว่าสันแนวานับลงภาษาลิวศนนัดกันชีสัน คนหนึ่งสองสาเนี่ยไผ่เป็นพี่บากรรมการเป็นเฝ้าฟังทุหันวะ่ไหมอมอืมไผที่เป็นพี่บาศกรรมการไปเฝ้าฟังทุหันวะใช่ไหฝนเม็ดถี่เม็ดใต้ในท้องมหาสมุทรมีเทไร่คนนับได้หมดมันก็ของนับจังสีของนับหยดลงว่าวะใช่นับเม็ดหน้าเม็ดแดดเม็ดหน้ามัสนี่นับจังไหนวะแต่นับเม็ดฝนหมดเลยเอกรเอาโปธาดวช่หนึ่งหน้าแปลเป็นไถ่ หนึ่งไฟหนึ่งลมวะสัตวติดบ่วข้าแบบนี้วะสัตองนับรวบมาวะสัตวนับสังฆโอฬเด้สัตวสงเคราะห์วะสัวพระวียดใ้พระพุทธเจ้าประเทศด้ยสังฆโอฬอ่ะสัตวอ่ะสังฆโอฬสัวสังฆโหฬนี่เราสังเคราะห์ลงมานะพุทธเจ้าว่าสัตอะสังฆโอฬนั่นเทาเลามาได้สังเคราะห์เราพูดขยายออกถึงแปดมือนสีพันพระธรรมขัน อสังขโหเนี่ยมาสงเคราะห์สังขโหเราสงเคราะห์ลงมาหามโนโ ป, โ ป, ปุพังขมาธรรมะโมโนเศรษฐามโ น, โ น, โนโมยททายาธรรมทั้งหลายมีกาเป็นไง น, น่าเราสงเคราะห์ลงมานึ่งตลอดพระพุทธเจ้าเนี่ยเสือเอเส้นเดียวนั่นแหะขันย่าพ้นขึงไปมันาวเพอนขึงออกมาเนี่ยวะ่าบ่ชสงเคราะห์นี่ยขันยาาเข้าสงเคราะห์พนกับปัสสาวมาไว้บนเดียวกันกององเงยวอยู่า อ, องส่นเอารอดวา ทั้งหลายขยันแลมาเป็นเอกก็ทำเอก็คิตในปัจจุบันคือกัรเอาปัจจุบันที่ใหน้าปัจจุบันล่าปัจจุบันเอาปัจจุบันสติปัจจุบันปัญญานะี่ยลาความหลงจับของในปัจจุบันนั่สิได้แล้วท่นว่าได้ความควบหลงในความโลกได้ละความควมเข้าใจผิดได้ความโลกพระพุทธเจ้านั่งอยู่โฮมโพ ก็บอกไปห่อเหินไปขามโลกคันนี้เขาเห็นความตายสัตว์ในปัจจุบันเนี่เขาจะไปสงสัยความตายเหี้ยงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันคันังว่าโรคนี่เต็มไปด้วยสั้งขาในกองทกทั้งหลายเขาเห็นสัตว์ในปัจจุบันอย่าคันนี้โรคอดีตโรคอนาคตเขาจะไปสงสัยยังอย่างคันนี้เขาเห็นศาสทุกข์ในปัจจุบันสัตว์แล้วคันีาสอดีตศาสอนาคตเขาจะไปสงสัยยังอย่างคันนี้ผู้นับข้อว่าตายแล้วศูนย์มาสักผู้ใดเป็นผู้ยืนยันว่าศูนย์กับภูมมันโศูน ฉันว่าศูนย์เนี่ยสิยอย เ, อเอามายืนยันนี่ยังให้มาอัวสันวะออกทัพย์ร่ำไห้เนี่ยสิได้ขั้งสอนพระพุทธเจ้า่สอนให้ธรรมะหาเรื่องชีวิตเดยทางที่ชอบเบื้องต้นในมนุษย์เบื้องกลางขันเมื่อในมนุษย์สมบัต แล้วมันก็ได้สวรรค์สมบัติเนี่ในตัวนวางช่ขันมนุษย์ได้บัตรแล้วก็สวรรค์ก็ต้องวิบัตรนิพพานก็ต้องวิ้บัตรเพราะมันเป็นทาท้ายไปท้ายเดียวกันคือพวกทหาร่ะขันเขาเดไปปืนพิดเป้าเลยไงไก่ทะเลมันแห้งพิษไก่ไปวันเนาะขันันออกไปหลายองศาเหรอ มันไกลไปเท่าไรมันแห้งหลายองศาวันเถอะสมมุติเราเป่าเยอะไกลๆคนอันนี้คือกันคำสอนของพทุทธเจ้าสอนในข้นเบื่อนายไข้เมาในวัฏสงสารดีสันสูงสันสุดท้ายสันต้นสอนในธรรมะหาเลียงชี้โดยทางที่สอบเพื่อให้เป็นสเสบียงอันดีให้เป็นมนุษย์อันนี้ให้เป็นเทวดาอันดีให้เป็นพวมอันดีจะได้อะนี่ ว่าไหติดอยู่ในมนุษย์ว่าไหติดอยู่ในสวรรค์ว่าไหติดอยู่ในพุ่มเพราะมนุษย์พุ่มก็ดีสวรรค์ก็ดีมันเป็นของโมบันบมเทียงมาเกิดมาแกยมาเกยมาตายอยู่นี่ถ้ามันมันอันเทียงมันมีอยู่เห้เบื่อนายค่ายเมาสะในวัรตาสงสารนี่จะเอาอุบายใดมาเบื่อหน่ายค้าเมาส์ก็เห็นว่ามันโมบันบมเทียงอย่างนี้มันจังสีมีอุบายเบื่อนายค้าเมาส์ลองหาพี่ย่าหน้าเหลือ ความสุขในใจโลกธาตุนี่พระพุทธเจ้าหาพระแห่งแล้วมันบาพบมันมาเจอมันมพผอมันมาปะพระอริยเจ้าทั้งหลายขามคล่อมหลงจะเจะคลองไปแล้วมากก็ไม่ทินมันชาติในท้องมหาสมุทรเขาสูขขพระนิพพานคนว่าพระนิพพานศูนย์ศูนย์ยังไงห้องกินเขาอิ่มแล้วมันศูนย์เหมารของขวมอิ่มเหมนผมบอกเาสัน่สนศูนย์เพรามีขอบเขตมันกับว่าเปแนวแล้ว ศูนย์โมาเกิดแก้เจ็บตายนี่แม่นยูศูนย์โมมีโลคมีโกรธไม่ลงแม่นยูอันถ้ามันโมตายโมที่ศูนย์ไปรสัยได้ฮะเนี่ยหลวงส่านอรรถว่านิพพานังปรัมังศูนย์ยังนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าว่างเปล่าไปหมดว่างจากกิเลสเนีว่างบมมีโรคมีโกรธไม่ลงว่างบมมีกองทุกแต่ถ้ามันถ้ามให้ว่างมันมีอุจจติหละฮะนี่ยถ้ามันอันละเอียดที่สุดโมม่นเนี่เสียมากเทียบใส่ในหลวงนสงสารเท่านี่ คือเต้ากับป้าอุปมาปลามันเคยเห็นแต่หน้าเต้าไปบอกก็มันว่าอ๋อคือไปโคกผมว่างเวอร์ผมะได้เซียววาสันคือขิดต่มบนหันบอเพรอวะคือข้อนบนไตข้อนบนเท้าไปหมดมากนึงนี่บอเพระวาคือแตเงือบบนหันว่าบอบอบทางนั้นเต้าของมันเคยเห็นหันว่าเกาแต่หันมาทีอเบด้ถอว่ายังไงท่านน่ เหมือนกันนั่นะม่เฮามกิเเาก็เคยเอาแต่กี่เดทเข้ามาเทียบมนันพระอรหันต์เราได้เข้าก็บเข้าใจอุว่าคือซ้อนสิตัดมดมือมันกับกบกหุ่นกรถแกงที่วานันมันก็บบคือรีิ <c oughs> อีอเขามาถมเขาก็ากมาถามอตาตมาเหมือนกันแหะหลวงปู่หลวงปู่ ท่านผู้ใดเป็นผู้เป็นพระโสดาบันชกทาคามีอนาคามีาะท่านผู้เจี๊ยบเกลือจะรู้จักเกลือเพราะมีสิทอยู่กับผู้รู้ไม่มีสิทอยู่กับผู้อื่นถ้าทาเป็นสันทิศที่โกเมื่อปัญหาถูกนกหลงปูแล้วอ๋อฮะย่อมคนหนึ่งจังหวัดพังงามันเคยมากคบ กับอัตมาเขาก็หลงปู่เทศเกงใจท่านมากไม่สนุกถามไม่สนุกสนทนามาพบกับทานานการก็ไม่เก่งมากแต่ก็ว่าเคารพอยู่พขาถือเป็นคนกันเองจะไปถือเป็นคนกันเองกับท่านแล้วก็ถือไม่สนิทแล้วท่านก็ไม่เปิดประตูให้เราด้วยผู้หญิงเขาเคยเป็น มีนายอำเภอเคยเป็นนักพยาบาด้วยเคยเป็นคุณหมอด้วยคุณหมอมานัดวิจักคะนะนามสกุลที่นี่เขาตื่นขึ้นมาเขาเถียงกันที่นี่เด็กคนนี้มันไม่ล่างหน้าถึงมีตัวเด็กมันไม่ขูดเชยคุณยายเถี ย, ยงกันท่นนี่ยคุณนึงว่าลังคุณนึงว่าโพหลังเด็กมันบม่ขูดเชย ขึมานัา ต, ตักขึ้นเทียงกันทำไมล่างหรือไม่ล่างมันก็รู้จักมันอยู่โอช อ, อ <c oughs> <c oughs> ลูกทิศกับมทานเป็นที่ฉันเองสันทิศทิโกในท่าพระพุทธศาสนาไม่ขอบเขตนับถ้าพระสสดาวันไปเดียกสันทิศทิโกในท่าโลกงพุทธละ ท่านซีว้าท่านท่านสันทิธิโกไม่ครอเขตมันกับฝันเฟือพูดเช่นพวกป่นพวกสะดมยังสิเขากับหูจ้าเขาหลักอยู่เขากับหูจักในตัวเขาอยู่เขาหูจ้าเขาป่นเขากี่อยู่พวกพวกสะดมเขากับหูอยู่มันผันฝันเฟือพูดสันทิธิโกในท่างพุทธศาสนาน ผู้เห็นเองผู้บรรลุเพิ่งเห็นเองคนหมายจะพระสวัสดิวันเป็นตัวต่อไปเดี๋ยวนี้มู่เฮาก็เป็นซัทติโกทุกคนอ่ะเอาเฮาเหลื่มใสายพระพุทธศาสนาซ้ำไหนไอ้สนันเฮากระตอบเฮาใดอยู่หรือเฮฮ็ดพ่อเป็นพิธีหรือเฮเฮ็ดพ่อเป็นธรรมเนียมหรือเฮ็ดตามโลกเขาซื้อเป็นโลกกาทิเบไตไอซื้อหรือเฮ็ดเป็นธรรมาธิปไตยหรือเหลื่มใสาตามธรรมาธิปไตยงิงสิงสิ เท่ากับตอบเท่าไรอยู่หรือว่าจังไรมันมุ่ยเพื่อได้ตอบให้กระซางบางคนไปสรรเสริญผู้คนทำหน้าท่าทักคิดใจได้ผลห่วยผมมึงได้คนทำหน้าท่าทักคิดใจได้วะผมหงจักรเขาคนเขามาเลี้ยงกล้าผมหอกวะผมผมนางยงส่ผมนึกไปหันไปนี่เขามาท่ายสร้างเขาบ่ทักผมผมหงจักรเขาผมนึกไปใส่ไปให้คะแนนผู้อื่นหลายก็ตู่เฮียหยังวะ ตัวของจักรกรเพล่รอวะม่นสาคัญเลยวะิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหารในทางพุทธศาสนาลทธิเป็นอาธิการอาธิษนาปาฏิหาริย์ดับใจเป็นอาธิการอนุสาสนีปาฏิหาริย์คําสอนเป็นอาธิการคําสอนเป็นอาธิการของสําคัญเป็นปาฏิหาริําคัญ าีเป็นของสำคัญดำดินบินบนไดเป็นของสำคัญนกมันกะบินได้อยู่ห้องกะบเห็นว่าสักูน่าเสนนางคาสามิธรว่าดำดินเก้งมาแต่ปลาลดปลกะดำอยเอียนมันมุนกุจีมุนห้องสมบูวากุจีสน่หนางคสามิเอียนเสน่งคาสามิสั่น่บอกสันว่าคือพวกสันเกีนี่ะ ว่าทะเลาะว่วาดกันว่าเจ้าดีค่อยดีเสนัญญตตมาบ่ได้บ่ได้วอาของสันดีทังสองทางบ่ดีทังสองทางเห็นว่าพวกสันเนื้อสันป่าดีว่าสันเสือมันก็กินง่วนสมือมับ่เห็นว่าอาหารเสือเอขณะพวกสันพักดีว่าสักนกะโตบุ้งโตนอนมันก็กินแต่ผักผมันเห็นว่าอาหารนอนอาหารบุ้งมันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาท้งหากอนนี่บอกของสันว่า โอหคนเถียงกันว่าสันแต่ว่าเร้ว่าไปเถียงอีกเถื่อถ้ามยุดดีหรือมหาวิกายดีหรือภัยดีเพราะว่าแต่ว่าก็ปรสนใจนี่งัวมื่อกี้กินแต่ยาเขาหัวละหันงัวนี่สันงัวของสันมันขึ้นยุ่กับสติปัญญาสิ่งไหนที่มันมอมสมพระองค์เจ้ากรหามกระหามไปเลยด้ เนื the ้อท e, ี่เขาอุดิษฐ์มาให้เนื้อมีเนื้อสร้างเนื้อมาเนื้องูเนื้อเสือโคงเสือดาวเสือเลืองเนื้อรลชัดสีเนื้อช่างเนื้อมาถ้ารู้จักเราบวกวยฉันถ้าฉันเป็นอาวุธทุกข์ก็ดีเนื้อมนุษย์เป็นทุนรัใจพระพุทธเจ้าทำไว้พอดี่ถ้าสงสัยและลงเกียจ กัจยาฉันพระสันอุติสาบางสายาสันพระสันขันเขา่าคางัวถวายพระอรหันยาสันขันหงจากวรสันอันสมือตนี่เขาหังง่วงกินดองมันเหลือกินเขาเขาอามาเพี้ยนจันทรนซื้อหรอเขาไปใมุมมหาญาพูกินเนี่สมมุอนี่พระมากินเขาก็คาโยะให้ว่านหรอ เอาบุญเรื่องนั่งนัวคุ้ยจักตายทุกตัวที่อาบุญว่าม่เอาบุญพระเวีอาบุญพิเภกพว้เขาว่างสิทั้งเาทั้งนัวน้ำคุ้ยสิเอาสมบัติน้ำคุ้ยอาบุญพิเภกพูกเขาอ๋องสิแล้วั้กระทบประเทืนเขาถึงได้ห มื่อทีแรกไอถกโจมตีเขาคือกันล่ะผู้ขาเขาว่าเป็นขมอนิตริัชต์สองพันห้าร้อยสองพันห้าอยี่ขมนิตรจังไนรัชตค่นินตระกูลพ่อพงวงสาวพ่อเมยของเพลนก็มีแต่คนเศร้าหายเศ้าหน้าอาจารย์เพ่นก็มันอาจารย์มันเพลนเบิ่งขอวัดปฏิวัติเพลนกระสันในบาทเดินจงกรมพ่ะวนา เพิ่นสังสอนญาติ ย, ยอบขายมีชินหาบริบูรณ์มาสั่นการท้าบนกินท่านกับ่าหไฮนักไปท่าว่าหาาาอแล้วศพครบงั้นขันค้นยังสั่นเป็นข้อมอนิตก็เป็นเหมือนประเทศไทยทเด๋ว่าสั่นงสาตารอดรเพิ่นเท็นยังาสั่นคุนี้เนี่ยนนเนี่ยนี้คนนี้คนน ฟังข้ออกบาเดเยวก็บงจักร้องคนไรท์คนมาลีปฏิบัติเพื่อคนทุกตั้งหา ก, ก็สัตว์บริษัทบริวารเพื่อนูันมีใสไว่านเพื่นกับบินทวาโด้วยบีแค้เพื่นไปแพร่ระขอผู้ใดมาเฮ็ดเพื่พอนก็นเฮ็ดตามใดตา ม, มานี้เพื่อนเหมือนนขัดพาอยังสี่เป็นข้อมนิดมันกับมันไปผ่าแล้วในประเทศไทยนี่ไันนวน้อนเบิเอก็เป็นคอมนิเมดเบิ์เนี่ยไร <c oughs> ะหวง เพ่มว่างหันมันเพว่เม้ากันกูตู้ม <Jub ilee> ึงมึงท <native Tibetan> <ie> ุก <describes> ขูกูสารพัดมอยมจ่อกจะเลยเออปนเมเข้าเรกไปอย่างว่าเอาไป่าว่าัขจต้องมเจมันยังมอนเนี่ยท่านได้เรียงมาแล้วเรียงท่านตอบพ่อแม่ดำลงตระกูลของท่าน จะพึ่งตวในเป็นคนควรรัพับมอระดกเมื่อท่านรองรับไปแล้วทำบุญุงที่ในท่านในระหว่างลูกปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่พอแม่ปฏิบัติต่อลูกหนึ่งห้าแม่ให้กระทําความชั่วต้องให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปะวิทยาสี่หาภรรย า, าและสามีที่สมควรให้ห้ามระพับภายในสมัยคําสอนไปจบองค์ไหนก็มาสอนคําเดียวกันสอนค่าวว่าง ใครสอนในพระบรพุทธเจ้าว่ามีอะไรหรอกในไตโลกธาตุทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยใครว่าออกมาคนไหนบ่ามันคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีอเลยเพราะทั้งสัวเปิ้ลกระบอกเพราะแห้งแล้วเพิ้ลแหระทั้งดีเพิ้ลกระบอกพราแห้งแล้วเปิ้ลให้ปฏิบัติเราเป็นด้วยเพียงแนะนําท่ันทั้งหลายเราจะปฏิบัติแท่นท่ันทั้งหลายบ่ได้ เป็นเพียงแนะนำเ่ยๆถ้ามเนมียุคอนเล่าต่บอเท่าว่อนเกิดแล้วถ้าถ้ำโมยุนีถ้านี่บ่มีก้อนเล่าเล่าชิมารูอยังนะเรารู้ถ้าก็เพราะว่าถ้ำนี่ก้อนเล่าแล้วเปนรองซะพระค์เจ้าเฮียทั้งสันเฮ้าจะเข้าลบถ้าพระพุทธเจ้าชัตโตโมคาู้ตกาตาโกเข้าลบถ้าพระพุทธเจ้าเรอกมมีวันแจ้งนี่คือก่อนแจงวัไดนอีก หาสิเป็นหนเอกปนพระพุทธเจ้าบ่มีดอกมู่เจ้าทั้งหลายกินเรามันเสิเม้ามันจิจิบหายเงินเน้อว่าสั่นมันผิดบ่าสั่นใไปกินไม่ไม่พวกบหายเงินมมันโมมาอะบอกใถูกไมใช่ถูกรงหนาถูกรวงหนาใช่ถูกแม่นย่ำซ้ำละเมียบัวเก่าจักเทือแลเมียถ้าเทือเดียวเท่านั้นนะถือรู้ใคไปเฮ็ดก็ได้ว่ดตองแต่้าอีกลำไล่ท่าน มั่วตรงเลยถ้ายอย่างไรนะมั่วโตไปรเรียนนโยายยมุกเรียนการพระราชมันจะ ก, กิบหายเน้อเสียพอพุทธเจ้าท่นนี่ไฟไปรเรียนไปเห็นทางเห็นมีผู้นั้นหน้าเขาได้ร้านนึง่งเพว่าไปถามเขาเขาไปซี้ไปฝุ่นโอ้ยถึงแพร่มแห้งเราเพราะว่าถามเขาเขาไปซี้ไปพุน่นท่านี่เขาก็เกิดรุ่นหู น, นี่คือผู้เขาเนี่ยไฟมาถามกันมปนผู้ฝุ่ยักเป็นผู้ผู้นไหพุห่นก็ว่าผู้เขาบิดก็ว่าผู้เขาจะเป็นผู้ผู้นไหคือนกเขาลั นกเขานกเขาแต่จะเป็นนกผู้ใดพุหร่าอันเดียวแค่ไหนอะซื้อประเ็นเมนื่อทันซื้อสิจิบหายเนอาใช่นี่อวัยวะมุขทำงานอะคันผู้ใดเป็นประเด็นสู้ๆเนี่ยกับว่าเห็นเจริญ เ, เหมือนได้เนีถอยเป็นควอมันด้วยนั่นจิบหายทรัพย์สินละบ่ พุทธเจ้าท่ายอันนี้เปนว่นเด็กผิดเด้เดียวของท่ายตามเหตุด้วยสูบูมกมะเขือมันก็ติเป็นมะเขือเหรเนื้อวะแต่ถ้าผูกเนี่ยแล้วก็เป็นระเขืออยู่แงนึ่เี่ย่ว่ายังไงสันของอาศัยอาศัยเหตุมันท่ายด้เห็ุไปทั้งตัวพระพุทธเจ้าขอจํากเหรอเหตุไปทั้งดีพระพุทธเจ้าของจ้ำกันเหะอธามัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตถัญญาตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุ อันนี้ถ้าอันนี้ไป็นถ้ของพระสดาบมันถ้ำพุทธสนนุน陀นาเนี่ยอาศัยลักเหตุผลทันเหตุใจอันใดที่ไม่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยมันให้รู้ตัวเหตุใจอันใดที่รู้ตัวผลของใจก็นํามาให้โดยรู้ตัวเหตุใจอันใดที่สงสัยผลของใจอันนั้นก็สงสัยเนี่ก็ผลอยู่ห่างกันพ่อกล่า อ, อ๋อพ่อใช่เขาพูด เสมอเขาจะค้องกันเห็นก็ผลมื่อไเสื่อมกันไปยิ่งมมีกระเว่นกันอยู่วางพวกเกิดข้อมนับกับเสื่อมกันไปย่งม้มีกเว่นขึ้นอันนี้จังกับทุกครั้งอานาจตากรเสื่อมกันไปยิ่งม้มีกรเว้นขึ้นควบปลวอกควบแนวผมนเล่ฟันน้ำเหนือยเอกระดูกกระจิงยิ่มนมีกรเว้นนขึ้นนั่นเองพระพุทธเจ้านี่เทศเที่เดียวเทศยิ่มมีกรเว่นันขึ้นเอาลงธรรมานได้เดียวนี่เพว่าเทศถ้ากดหน้าร่างกายเปลี่ยนไปควบเปลี่ยนไปโดยควบเปลี่ยนเอาเนื้อว่าส มันบวมเหีนมดสันได้ ก, กลกายเทาจังหวะมันลงทมา่ทาทอนถอะอันมือนี่เป็นนาทีเท่าทีา่พี่จะหน้าขื่อว่าท่นมันก็จะสงสัยใก้ันมานบ่ใกล้ายใก้นาด้วยใหมบ่ามามือนี่ที่น่องเจ้าหนาย่มาก็ต่วพอมาเนี่ยอ้าวอ้าแบบแรงมือเลยเตยเลยแล้เข <laughs> าิดจมหรอ มันสังขารทศวรวายังไนตีขเจ้ากับอได้เจ้ากษัตริ็์จังไหนต่อจังไหนเนี่ยตีพวกกันกลุมอาการด้วยฟ้าก็ได้ของสังขารฉันใจรอนสังขารก็เอยเร็บทุกแห่งอทุกแห่งพ่อยยังรงสีรงยังไปใส่ไฟพันบใส่หนักมันสั่นไฟดับก็สั่นกนาอทั้งสีเขานี่เล้วหน้ามุขเขเด็กินทัาุดไหว ความจริงแล้วถ้ามีคนถูกก่อนนะซอยแตงโมเป็นคนเสมอชาวงโมได้แต่ก้หน้าเฮาเท่กันแต่จะเกียงใครนี่อ้พรมีกินข้าวแตคือแนเสีบอยู่คูมือเนี่ยก็ไปดับรอเอาไว้สักคนเอาไว้สักคนรกินไปหอกด่านี่ยโยมพุทธมดนี่อว่ามันคนรุวยหรอกแต่ว่าคนไม่ชัท่าชื่อ ค่อยสางวัดถาท่ อ, อ, อ, ว, อวัดถาดท่อลอผูกระหน่ำวัดถาดท่อ <c oughs> ก็คยเยคยไปปฏิบัติับจักคุณนะสนการจีวนมันลงภูเขาลงผูแวนมันมันไปจิบไปท่ามัดถูกทีดมันนะเพลนว่ามันแก้แล้วพระสังข์แหน่กินแหน่ท่านใช่ไหมสังข์มิใชท่านไปใช่ถ้ามันมัดแล้วมันขอจินขบวัดพระบอกสิ คนก็บอกมันคนลวดดอกพอทราบสมบัติมันเถือกแงะให้พี่ให้น้องมดตะกี้ลวยอยู่นั่นะมันมอดรดกพวกนี้พวกนี้มอดระดกมอระดกในที่ดินฝั่อันมาเฮ็ดนี่คายที่ดินในภูเถาะอัคนซาคนลือไปวอันดอกเบี้ยมือละแสนสองแสนเนี่ยมันว่าล่อให้คนมาคาผูเถาหห่านะล่อให้มาเขาออกไปรักไทยรักถอนห่านะไพตัวนี้ มันเขาเอาุทาไปรักไทยรักถอนมกกันก็ได้กระดูกพุทธเ่าแล้วมันจะได้ยังพุทธมากินมาธาตุเ้ยแหะมันโปงขึ้นมาพุทธออกมากินมาธาตปงขึ้นมาพ้ทธออกมากินมาธาก็ได้ท่ากระดูกพุทธคนเดียว ม, ม, มัมดส ม, มุดปากกาอนี่ะอโศกการานมาารานมาล้วงพลีนเ<ะ>พิ่นก็ไปเฮ็ดเพิ่นก็ไปเฮ็ดน้า หลาวัดก็เปบนมันมากาตนีอันนี้มาล่าหลังคนนด้เนี่ยมาล่าหลังคนออกนี่ยมาทอดไหนก็ไม่เห็นหลวงปู่เอยอยแผลๆคอๆหลวงปู่ใจหนักมากมาทอดกระถินก็นมาแล้วมาทอดพระป่าก็มาหลายครั้งแล้วหลวงปู่ไม่ได้เออยให้ช่วยอะไรเลยหลวงปู่ใจหนักแล้วเกินพระเออยีิชันไม่ชอบเหตุนฉนั้นยี่ชันจึงมีอะไรก็ จะทำลงตามสติกำลังแต่ควบเนจริงอาตมาเ่าเอ่ยพเห็นคนเขามาห่างๆไม่หนี้ขม่าอาตมาอยากอไออยากอายตัวคนในกรุงเทพมากคือเขาเจ้าจะคืดว่าโอ้ยคนขี่ทุกขี่ยากนี่ในผู้นี่เขาเห็นขู่เป็นคนห่างคนไม่ไปนี่เพิ่นจะขออย่างขูนาะคือเขาจะคืดอยู่นี่แต่เขาว่าหรือบว่าวไปยังงวมันคืดใจตัวจังสักคืดเลิกไปเคืดเลิกใจตัว เส้นไปก็เป็นกรรมฐ า, านไปขึ้นรถน้าเขาสิกะเพงโทษเจ้าของเขาผู้ชมใส่กูว่าคนมนหนีมันมา่ามันดีมันทังหอมเหินไปมันมาอังรถกูใหนหนองย่านเขาวากระปานั่นฮาเ น, นี่อันนี้ใชยอัจฉริย ม, มันผูกขอเจ้าของเลยสังของเอองสียเจ้าของเลยเรื่อเรื่อยอย่มันเป็นแก้วตกตนสยอันนี้เ <c oughs> ช่ น, น <c oughs> คุณหมออุดมมาคือกันก ก็ผมเป็นคุณเป็นเป็ น, ปนหมออุดมเคยเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลซีนีนาธและเคยเป็นรัฐมนตรีด้วยเดี๋ยวนี้อยู่กับท่านอาจารย์มหาเคยอดอาหารโชคโซนเหมือนกันเคยปฏิบัติศีลธรรมตามสติกำลังเดี๋ยวนี้ชบกกเกษียณแล้วจะมาเอาหลวงพ่อไปผ่าไปตัดที่โรงพยาบาลหลวงปู่ฟ้อนผ่าตัแล้วก็จะตามมารักษาอยู่ที่นี้ หายแล้วจึงจะหนีไปถ้าไม่อยากหนีก็จะกินของประปาเถื่อนอยู่กับที่นี่นะแล้วจะปฏิบัติสินธรรมเคยโชคโชนในเรื่องอาหารอยู่ไม่ได้ถือกั้นถือขังในกรุงเทพหรอกเพราะแกแล้วสี่เอี่ย่มาค่ะเลยได้ตั้งสั์ไว้แล้วว่าสิบพ่พาเออขอขอพบพระคุณมากจตมาตั้งปติญญาไว้ว่า จะไม่ผ่าตัดไดๆทั้งสิ้นเพราะจงช่วยรักษาความสัตย์ของอาตมาไว้ด้วยเพราะขอบพระคุณมากทัางกับว่าผ่าแล้วหายแล้วพราเจตนาดีก็เอาไปด้วยเหตุไฉนจึงไม่ผ่าตัดมีความประสงค์ยังไงพูดยังไงบ้างเจตนาเป็นยังไงจึงไม่ต้องการผ่าตัดเออก็มีเจตนาอยู่หลายอย่างหนึ่งตนมาอยู่ในภูในเขาเมื่อเวลาเก็บก็โชคโทน เข้าไปเกี่ยวนโรงคนในโรงพยาบาลผู้อื่นไม่เพียงโทษตนก็เพียงโทษตนเองก็สองอีกตนเป็นคนแก่แล้วไม่ควรทะเยอทยานเพราะผลของกรรมของตอนที่สร้างไว้ก็ต้องรับไม่ต้องมิดพิ้วส่วนวันว่า น, านยายาสมุนไพรก็ดีที่มาได้โดยชอบธทมในเรื่องจะทาก็ดีจะดื่มจะฉันก็ดีก็จะทาก็จะดื่มก็จะฉัน ถ้าไม่ได้มาโดยทอบทำก็ไม่กระเสือกกระสนอยู่ตามกรรมแต่การผ่ า, ผาจะตัดได้ไปัจจิญยาแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้ารับผ่าแล้วตัดที่นี่ลูกๆแานหลานที่เป็นพระเขาก็จะตามไปด้วยเขาไม่ตามไปก็ดูอะไรอยู่เมื่อเขาตามไปเราเป็นนิสัยพระป่ามันก็เท่ากับว่าไปเข้าคุก ไม่เป็นที่สบายไงมองดูที่ไหนก็ไม่ใช่วัดป่าของตน